การกาหนดปัจจัยนามรูปในยะที่สองการกาหนดปัจจัยนามรูปในยะที่สองในท่านแบ่งออกเป็นสองอย่างะนะที่กล่าวว่าพระโยคาวจรีกผู้หนึ่งย่อมเห็นปัจจัยของนามสองอย่างคือปัจจัยที่เป็นสาธารณะและปัจจัยที่เป็นอาสาธารณะคือก่อนหน้านี้มาเน้นการกล่าวถึงปัจจัยของรูป นี่มาเริ่มเจาะรายละเอียดในการพิจารณาปัจจัยของนามธรรมา ท, ทั้งหลายย่อมเห็นย่อมเห็นปัจจัยของรูปสี่อย่างคือกรรมเป็นต้นอันนี้พูดแบบสรุปสําหรับคนที่พิจารณารูปมาอย่างพิสดารไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าอย่างรูปคือผมก็มีสี่สมุธฐานรูปคือขนก็มีสี่สมุธฐานคือเล็บคือฟันคือหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทางผิดม้ามปอด ลำไส้ใหญ่สายรัดไส้มันสมองในกะโหลกศีรษะน้ำเลือดเป็นต้นเนี่ยพวกนี้มีสมุทฐานสี่เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารส่วนน้ำตาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็มีสมุทฐานสองคือมีจิตและมีอุตุเป็นสมุทฐานอาหารใหม่อาหารเก่าก็มีสมุทฐานเดียวคือมีอุตุสมุทฐานลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสมุทฐานเดียวคือจิตเป็นสมุทฐานธาตุไฟที่ย่อยอาหารเนี่ยนะ อันนี้สมุดฐานเดียวคือมีกรรมเป็นสมุทฐานมันโดยปัจจัยของรูปผู้ที่พิจารณารูปมามากแล้วก็ไม่สู้จะยากเท่าไรแต่จะได้กล่าวละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะถึงอุทยพยาญามเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ทำให้รูปทั้งหลายเกิดขึ้นส่วนปัจจัยของนามมีอยู่สองอย่างคือปัจจัยที่เป็นสาธารณะและปัจจัยที่ไม่เป็นสาธารณ คือสาธารณะปัจจัยกับอาสาธารณะปัจจัยในปัจจัยสองอย่างนั้นทวารหมีจกักรทวารเป็นต้นและอารมณ์6มีรูปเป็นต้นเป็นปัจจัยที่เป็นสาธารณะของนามคือหมายความว่านามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นโดยปราศจากทวารไม่ได้นามทุกนามเนี่ยนะเกิดขึ้นต้องอาศัยทวาร น, นามทุกนามเกิดขึ้นต้องอาศัย อารมณ์ในปัญจโวการภพนามทุกนามนั้นจะต้องอาศัยทวารและอารมณ์หรืออาศัยวัตถุและอารมณ์อย่างก่อนหน้านี้เน้นไปที่วัตถุนี้เน้นมาที่ทวารและอารมณ์อย่างที่กล่าวว่ากระแสแห่งจิตทั้งหลา ย, ยกระแสจิตหรือวิถีจิตที่ไหลสืบเนื่องทางจากขู่ทวารโดยที่มีสีเป็นอารมณ์ กระแสแห่งจิตทั้งหลายไหลสืบเนื่องในโสตทวารโดยที่มีเสียงเป็นอารมณ์กระแสของจิตทั้งหลายไหลสืบเนื่องทางคานทวารโดยที่มีกลิ่นเป็นอารมณ์กระแสของจิตทั้งหลายไหลสืบเนื่องในชิวหาทวารโดยที่มีรสเป็นอารมณ์กระแสแห่งกายวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะกระแสแห่งกายทวารวิถีก็ไหลทวารกายโดยที่มีโพธะเป็นอารมณ์ ส่วนทวารใจนั้ น, นมีภวังเป็นทวารเนี่ยนะเพราะผวังทั้งหลายเป็นทวารตัวตัวผวังนั้นเป็นทวารมิมุตตัวเขาเองนี้เกิดขึ้นโดยพ้นทวารแต่ผวังอันนี้เป็นทวารให้แก่ชวนะทั้งหลายเป็นทวารให้แก่อาวชนะและชวนะโดยมีอารมณ์ในการสามเพราะว่าชาวนาทางมโนทวารหรืออารมณ์ได้ทั้ง6อารมณ์ทั้งรูปเสียงเกลืน่นรสโภชพระและธรรมอารมณ์ รู้ทั้งบัญญัติอารมณ์ประมาทอารมณ์รู้อารมณ์ทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์นั่นคือกระแสะความคิดทางมโนทวารอันนี้ว่าแบบย่นย่อนนะปัจจัยแห่งนามธรรมา ท, ทั้งหลายเกิดโดยอาศัยทวารและอารมณ์ทีนี้ทวารก็มีอยู่หกทวารจักขุทวารโสตะคานะชิวหากายะและมโนทวารท่านไม่บอกหาทยะทวาร น, นะ ทวารหะไทยเออไม่เคยได้ยินนะมีแต่มีแต่มโนทวารซึ่งมโนตัวนั้นหมายถึงผวังไม่ใช่หะไทยส่วนอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์มีหกคือรูปพูดถึงอารมณ์เมื่อไหรอ่าเหมือนเขาเหมือนพูดคําว่าอารมณ์ปัจจัยเนี่ยนะพูดถึงคําว่าอารมณ์กับอารมณะปัจจัยนี่เหมือนกันเน้นเน้นพูดอะไรเน้นพูดจิตเจตสิกที่มีรูปเป็นอารมณ์ถ้าพูดคําว่าอารมณ์นะ หมายถึงพูดถึงจิตเจตสิกถ้าพูดทวารก็หมายถึงพูดถึงจิตเจตสิกเหมือนกันดังนั้นคําพูดที่ว่าจักขวายตนะรูปายตนะอายตนะคือตาอายตนะคือรูปคําพูดเบื้องต้นเนี่ยฟังดูเหมือนกําลังอธิบายตาที่บายสีอยู่แต่ในโลกของคําอธิบายนี้ท่านบอกว่าบ่อกเกิดคือตาบ่อกเกิดคือสีแสดงว่าถ้าพูดถึงบ่อแล้วหมายถึงอะไรถ้าพูดถึงถ้าใครเคยบ่อตักน้ําบ่อซึมมั่ ถ้าพูดถึงบ่อหมายถึงเขาจะไปตักน้ําที่บ่อนี่ก็เหมือนกันถ้าพูดคือบ่อคือตาบ่อคือสีหมายถึงกระแส จ, จิตที่ไหลทผ่านตาและผ่านสีพูดถึงบ่อคือหูบ่อคือเสียงก็แสดงว่าพูดถึงกระแสของความคิดที่ไหลไปทางทวารหูเบื้องต้นคนที่จะศึกษาธรรมะระดับสูงวิจัยธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งไปได้ต้องมาฝึกคิด ทวารทั้งหกทวารในชีวิตที่เป็นจริงนะกระแสความคิดทางจักขุู่ทวารแค่ไหนจึงเรียกว่าจักขุูทวารแค่ไหนจึงเรียกว่าปัญจทวารแค่ไหนเรียกว่ามโนทวารถ้าพูดง่ายๆว่าจักขุูทวารจิตเนี่ยนะจกักรคูทวารวิถีจิตเนี่ยสมบัติของคนมีตาคนที่มีตาดีทั้งหลายมีแสงสว่างดีจะเห็นเหมือนกันแต่มโนทวารเกิดไม่เหมือนกัน ไอค้คาว่าจักคูทวารมีเหมือนกันหมายคือว่าเห็นเหมือนกันอ น, นชัดหรือไม่ชัดอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พูดว่าเห็นเหมือนกันเช่นดอกไม้มาตั้งเนี่ยทุกคนที่มีตามีแสงสว่างได้องค์ประกอบก็เห็นดอกไม้เหมือนกันแต่มโนทวารบางคนเรียกชื่อได้บางคนเรียกชื่อไม่ได้บางคนรู้มโนทวารรู้ไะเอียดรู้แม้กระทั่งราคารู้แม้กระทั่งที่ปลูกใครปลูกปลูกที่ไหนใช้ปุ๋ยอะไรเป็นต้นอันนี้เป็นโลกของทาง มโนทวารแต่จักรทวารคือเห็นเหมือนกันในโลกของโสตทวารเช่นเรามาฟังธรรมเนี่ยนะโสตทวารวิถีอาจจะได้ยินเหมือนกันแต่มโนทวารคือความคิดชาวนะจิตทั้งหลายในมโนทวานนี้จะเข้าใจไม่เท่ากันเนี่ยนะในคานทวารสมมติมีกลิ่นโชยมาทุกคนจะได้กลิ่นเหมือนกันแต่บางคนรู้ละเอียดว่ากลิ่นอันนั้นอยู่ที่ไหนกลิ่นนั้นเกิดจากอะไรอันนั้นก็เป็นมโนทวาร อาหารกลางวันที่เรารับประทานนี่จะรู้รสเหมือนเหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่ได้แต่งเติมมากนะักนะแต่ส่วนเรื่องอาหารบางคนนี่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการปรุงแต่งว่ากว่าจะมาเป็นรสได้ยังไงตกแต่งได้อย่างไรส่วนชิวหาทวานนี่จะรู้เหมือนกันคือรู้รสเหมือนกันทางกายทวาเช่นปวดหัวมันก็ปวดเหมือนกันนั่นแหละปวดฟันมันก็ปวดเหมือนกัน <s <id> <S นั่นแหละปวดแขนปวดเมื่อยมีความสบายมีความป่วยไม่ป่วยอันนี้ก็เหมือนกัน แต่ว่ารู้รายละเอียดของสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอันนั่นเป็นมโนทวาร น, นั่นเป็นมโนทวารเพราะปัญจทวารเนี่ยนะทั้งจักขคูโสตค า, านะชิวหากายานี้ถ้าจะเรียกว่าของสาธารณะก็สาธารณะนะเพราะว่าพวกนี้มีอารมณ์ที่ชัดเจนทวารตามีสีเป็นอารมณ์เหมือนกันทวารหูมีเสียงเป็นอารมณ์เหมือนกันทวารจมูกมี กลนเป็นอารมณ์เหมือนกันทวารลิ้นมีรสเป็นอารมณ์เหมือนกันทวารกายมีโภตาพะเป็นอารมณ์เหมือนกันแต่ในโลกของทวารใจนี้ซับซ้อนมากซับซ้อนมากเพราะว่าไอ้มโนโทวานเนี่ยนะเพราะมีทั้งบัญญัติมีทั้งปรมัตดเป็นอารมณ์แล้วก็บัญญัติปรามัดอารมณ์เหล่านี้เนะนี่ยนะชาวนะจิตในมโนทวานบางขั้นก็เป็นกุศลบางท่านก็เป็น อกุศลท่านที่เป็นอกุศลก็ยังจําแนกอีกจําแนกเป็นโลภะบ้างจําแนกเป็นโทสะบ้างจําแนกเป็นโมหะบ้างคือจําแนกเป็นโทสะมูลจิตโลภะมูลจิตหรือโมหะมูลจิตในโลกของโลภะมูลจิตก็ยังจําแนกอีกตามอารมณ์ว่าอารมณ์นี้น่าปรารถนามากหรือน่าปรารถนาน้อยถ้าน่าปรารถนามากก็โสมนัสน่าปรารถนาน้อยๆก็เป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตก็แบ่งเป็นโสมนัสและ อุเบกขาในโสมณัตอุเบกขาเนี่ยก็แบ่งอีกว่าบางคนมีทิฏฐิประกอบบางท่านไม่มีทิฏฐิประกอบนั้นโสมณัตแบบมีทิฏฐิประกอบกับไม่มีทิฏฐิประกอบอุเบกขาแบบมีทิฏฐิประกอบกับไม่มีทิฏฐิประกอบทีนี้บางพวกได้รับการกระตุ้นความโลภะอันนี้จึงเกิดขึ้นบางพวกไม่ต้องมีการกระตุ้นมันโสมนัตมีทิฏฐิก็จึงแบ่งเป็นมีการชักชวนไม่มีการชักชวน สมณัตไม่มีทิฐิประกอบจึงมีการชักชวนและไม่มีการชักชวนดังนั้ในการกระจายความคิดทั้งหลายก็เป็นไปในลักษณะนี้อันนี้เป็นโลกทางมโนทวารที่จะมาจําเนกแยกแยะเรื่องราวของธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีคนที่รู้จักสิ่งนั้นพร้อมรู้จักสิ่งนั้นด้วยรู้จักเรื่องราวของสิ่งนั้นด้วยใครฉลาดกว่ากันอันนะีโลกนี้นะบางคนก็บอกคนที่แน่จริงนะจะต้องรู้จักแค่สภาวะเออ เขามีพวกแบบนี้ขึ้นมาอีกในโลกนี้ไม่รู้มายัางไงไม่ทราบเขาบอกว่าถ้ า, ถ, าถ้ารู้จักโลภะจริงก็ต้องรู้จักแค่สภาวะของมันว่าโลภะเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งแต่บางพวกเขาบอกเออโลภะเนี่ยนะมันเกิดเพราะอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้มีปัจจัยอย่างนี้มีอารมณ์มีวัตถุมีทวารมีสัมปยุตเกิดจากปัจจัยเหล่านี้แล้วโลภะเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่อย่างนี้อย่างนี้รู้รอบรู้ละเอียดเกี่ยวรู้เรรื่อองงาวขโละ ถามาคนที่รู้เรื่องราวของโลภะเป็นอย่างดีเขาจะรู้จักคําว่าโลภะไหมเขารู้จักสภาวะของโลภะไหมรู้อยู่แล้วจึงไม่น่าแปลกใจอะไรเหมือนอย่างว่าสมมติทุกคนนี่มองเห็นพี่ต่อยหมดอย่างนี้เนยอีกคนหนึ่งรู้ประวัติพี่ต่อยมาเป็นอย่างดีอีกคนหนึ่งแค่มีจักขุทวา a เห็นพี่ต่อยสีเป็นอารมณ์ถามว่าใครฉลาดกว่ากันสองคนนี้นะใครรู้เรื่องรา่นี้ดีกว่ากันนี่ก็เหมือนกานเรื่อของนามธรรมา ท, ทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องของการเข้าไปวิจัย เข้าไปพิจารณาคนที่พิจารณาบางคนเขาบอกเออนี่มันคิดเอาเดี๋ยวมันเคลื่อนจากปรา ม, าถถามัตาธรรมไม่ต้องกลัวมันเคลื่อนหรอกปัญหาว่ามันไม่ค่อยคิดนี่สินะเพราะว่าถ้าคอยให้แต่สภาวะมันเกิดขึ้นนะถ้าโลภะเกิดขึ้นแล้วสภาวะมันเกิดขึ้นเชื่อไหมโลภะบางตัวเนี่ยนะมันรุนแรงมากทํากายวิญยัตเกิดขึ้นมาถ้าพระพิสุขขาดศีลเลยถ้าโลภะมันมีกําลังแรงขึ้นมานะทำวจีวิญยัตทุ่มศีลิก นะเกิดเป็นนึกชอบบางอย่างและอภิชาเพ่งเล็งล่วงกรรมบทเปิดประตูบายอีกเพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างให้โลภะมันเกิดขึ้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาเข้าไปวิจัยเข้าไปพิจารณารอบครอบดูจากอารมณ์ก็รู้ได้เลยนะก็เหมือนอย่างว่านักแต่งดอกไม้ผู้ฉลาดเนี่ยนะเขารู้ได้ไหมว่าแต่งดอกไม้แบบนี้คนชอบแต่งดอกไม้แบบนี้คนไม่ชอบแค่วางระเบียบดอกไม้เฉยเฉเขารู้ได้ไหมเห็นดอกไม้เฉยเฉยทไมเขารู้ว่ารจิตของคนอื่น อย่างสมมุติเอาเขียนตัวตัวอักักตวหนังสือคีย์ยยยยเวลาพระวังธ ร, รมอย่าเข้าประตูนี้อย่างเงี้ยนะคนอ่านปั๊บเขารู้เลยเขาเดินเข้าประตูหลังเขาเห็นแค่สีน้ำหมึกดำๆเปื่นอนกระดาเรียกว่ากระดาษเปื้อนสีมาแปะไว้ข้างฝาเนี่ยนะทำไมเขาเดินไปเข้าประตูหลังพระโลกของมโนทวารเขาเข้าใจนั้นผู้ที่เห็นอารมณ์ปั๊บทราบความประสงค์ทราบเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะผู้มีปัญญาคือ สามารถที่จะวิจัยใคร่ครวญพิจารณาเพราะฉะนั้นเห็นอารมณ์ปั๊บเข้าอ่านได้เลยว่าจิตเหล่าใดเกิดขึ้นบ้างเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นอารามณะปัจจัยของจิตเพราะในโลกของผู้ที่เรียนอภิธรรมมัตสังกะหะเขารู้เลยว่าสีเนี่ยจิตที่รู้สีมีกี่ดวงนะนะเาคำนวณได้เลยใช่ไหมโดยหลักสูตรนี้บอกไว้ชัดเจนเนี่ยนะเสียงจิตที่รู้เสียงมีกี่ดวงรู้แน่นอนกับไม่แน่นอนอีกนะเรียกว่าเอากันตะกับ อันอกการตานะแน่นอนกับไม่แน่นอนนี่กัว่าถ้ามีเสียงเป็นอารมณ์แน่นอนแล้วก็มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ได้ด้วยมีเสียงเป็นอารมณ์ได้ด้วยเขามีการวิจัยได้อย่างละเอียดซึ่งไม่ต้องวิจัยเองหรอกท่านวิจัยให้เสร็จหมดละเพียงแต่คิดตามอานันี้ก็เราปฏิ ญ, ญาณว่าเป็นสาวกขอรู้ตามขอเห็นตามขอพิจารณาตามปัญหาหลายๆครั้งที่เราตําหนิตัวเองก็คือไม่ค่อยจะทําตามนี่สิก็ เ, เลยต้องตําหนิตัวเองบ่อยๆนี่นะ การพิจารณาปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายคือทวารและอารมณ์เนี่ยนะทวารและอารมณ์อันนี้เป็นสาธารณปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะปัจสาธารณปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายที่สำคัญก็คือถ้าคนที่ชํานาญในสิ่งนี้จริงๆเนี่ยรู้ได้เลยว่าตาเนี่ยเป็นที่ไหลออกของจิตชนิดใดบ้าง น, นะถ้าโดยชาวนแล้วนะชาวนะที่ต่อจาก ทวารตานี่ก็มีชาวนะจิตทั่วๆวไปนะเอาเรานะเอาผาหารหจงยกไว้เอาเรามีเท่าไรยี่สิบดวงเดี๋ยวนะการดูของเราไม่พ้นยี่สิบดวงหรอกการได้ยินของเราทั้งหลายก็มีอยู่ยี่สิบดวงรู้กลิ่นก็ยี่สิบดวงนี่พูดชาวนะนะรู้รสก็ยี่สิบดวงรับกระทบโพธภาภะก็ยี่สิบดวงโลกของความนึกคิดทั่วไปก็จิตยี่สิบดวงเพราะั้นดูจากทวารหรือดูจากอารมณ์ก็ สามารถที่จะพอจกคํานวณตัวสภาวะจิตได้แล้วเออจิตนี่เป็นเป็นอย่างนี้ทีนี้จิตทั้งหลายเมื่อคืนเรากล่าวไว้แล้วใช่ไหมว่าไม่ได้ออกมาจากทวารไม่ได้วิ่งออกมาจากอารมณ์แต่เมื่อมีทวารมีอารมณ์ ม, ม, ณมีมนสิการความคิดจึงเกิดขึ้นนั้นทุกคนไม่มีใครมีความคิดเกิดรอเลยอย่างหูเราได้ยินเสียงเนี่ยนะมีจิตเกิดรอไหมเออเดี๋ยวเสียงจะมาแล้วเรามาเกิดรอท่านหน่อยรอรับ รอรับเสียงไม่มีเมื่อหูกับเสียงประชุมการอาวัชนะมีมีอะไรมีช่องมีโอกา ส, ก า, สการได้ยินจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนนั้โลกของนามธรรมาทั้งหลายเมื่อปัจจัยประชุมพร้อมเขาจึงเกิดขึ้นโลกของนามธรรมทั้งหลายทางจากักขคุทวานถ้าได้ปัจจัยประชุมพร้อมจึงจึงเห็นเมื่อปัจจัยประชุมพร้อมจึงได้ยินเมื่อปัจจัยประชุมพร้อมจึงรู้กลิ่นเมื่อปัจจัยประชุมพร้อมจึง รู้รสเมื่อปัจัยประชุมพร้อมจึงรับกบระทบโพธิพะเมื่อปัจจัยประชุมพร้อมจึงนึกคิดในเมื่อไล่มาจนถึงนึกคิดแล้วไอ้ความนึกคิดเนี่ยมาอย่างไงทำไมมันจึงคิดอย่างนี้อยู่ๆทําไมคิดโกรธเฉยๆอย่างนั้นนนะ่ะเหมือนโกรธเฉยๆนะฟังดูว่าเหมือนอันนี้คือพวะเรายังไม่ได้สาวปาัจจัยอยู่ๆทาไมมันเครียดขึ้นมาเฉยๆโดยไม่เหมือนไม่มีเหตุผลอยู่ๆนึกชอบขึ้นมาโดยไรย้เหตุผลอยู่ๆก็นึกอยากไปนึกอยากมานึกไปเรื่อยอย่างนี้นะ เพราะอะไรอันนี้แหละที่จะต้องมาพิจารณาปัจจัยแห่งปัจจัยที่เป็นอสสาธารณะปัจจัยที่เป็นอสสาธารณะของนามธรรมทั้งหลายที่ที่กล่าวว่าธรรมที่มีมนุิการเป็นต้นที่เป็นไปแต่จักขู่และรูปเป็นต้นเป็นปัจจัยที่ไม่สาธารณะของนาม แม้ที่มีประการทั้งปวงโดยประเภทนามที่เป็นกุศลเป็นต้นหมายคาะว่าตัวมณสิการเนี่ยนะที่สืบเนื่องมาจากมณสิการเนี่ยนะถ้าชวอาวัชนะจิตนี่เขาเรียกอะไรวิถีปฏิปาทกะมณสิการใช่ไหมมณสิการก่อนจะเห็นจากขู่ทวาราวัชนะตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรวิถีปฏิปาทกะมณสิการมณสิการก่อนจะเห็น มณสิการก่อนจะได้ยินหมายคือว่าเห็นหรือไม่เห็นอยู่ที่มณสิการจะได้ยินหรือไม่ได้ยินอยู่ที่มณสิการคล้ายๆกับใครเคยอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยจะรู้เลยเอวันก่อนอ่านตอนหลังมาอ่านใหม่เหมือนกับไม่ได้อ่านมาก่อนเลยทําไมเพราะตอนก่อนไม่ได้มณสิการเพราะไม่ได้มณสิการทุกคําทุกคําอย่างบางคนที่มาที่นี่นะเออเหมือนไม่เห็นเลยนะจริงๆก็ผ่านตาตั้งหลายครั้งอนะแต่ทําไมไม่เห็น เพราะไม่มนานสิการนั้นการมนานสิการนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญบางทีนะมะนานสิการเออคนนั้นมาแต่ไม่ได้มนานสิการว่าเขาใส่เสื้อชนิดใดมาเนะี่ยนะก็นึกแต่ชื่อเฉยๆเพราะสุดแท้แต่มนานสิการสุดแท้แต่การใส่ใจเนี่ยนะมะนานสิการทวารตาเพื่อรู้เอ่อเพื่อที่จะจับรายละเอียดของการเห็นมนานสิการทวารหูเพื่อจะจับรายละเอียดของการ ได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะก็เนื่องด้วยมนสิการในแต่ละทวารแต่ละทวารนะทีนี้มาดูมนสิกาอย่างไรจึงเป็นกุศลมนัสิการอย่างไรจึงเป็นอกุศลธรรมะมีโยนิโสมนัสิการมีการฟังทัทธรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่นามธรรมที่เป็นกุศลสมมุติว่าความคิดใดก็ตามที่เป็นกุศลเกิดขึ้น กุศลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทานกนะุศลก็ตามศีลกุศลก็ตามภาวนากุศลก็ตามกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะเหตุใกล้จริงๆเลยคือโยนิโสมนสิการความความคิดเป็นอ่ะนะรู้จักคิดอ่ะนะอะโยนิโสมนสิการเนี่ยคิดง่ายๆว่าคิดชอบคิดชังคิดไปเรื่อยอย่างนี้ลักษณะของอโยนิโสมใช่ไหมพันโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนสิกา ร, น, น, ร, การน้อมไปเพื่อจะให้ทาน บางคนโยนิโสมนสิการน้อมไปเพื่อปรารภศินบางคนปรารภสมถะบางคนปรารภวิปัสสนาก็เนื่องด้วยโยนิโสมนานสิกานันโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ของกุศลนั้นๆทีนี้ถามว่าเหตุไกลของกุศลน่ะคืออะไรเหตุไกลของกุศลก็คือการฟังพระสัจธรรมการฟังพระสัจธรรมเป็นเหตุไกลคือ เพราะฟังธรรมเช่นเพราะฟังอานิสงส์เรื่องทานมาพอประจบกับวัตถุพร้อมโยนิสมณสิการเกิดขึ้นบอกว่าเราต้องให้ทานอย่างนั้นนะเหตุไกลก็คือฟังอานิสงส์ของการให้ทานฟังถึงคุณะประโยชน์ของการให้ทานพอได้วัตถุเพียบพร้อมก็เลยให้ทานอย่างบางคนนะเกิดมาไม่เคยคิดจะเก็บดอกไม้บูชาพระอะไรสักอย่างนะก็ไปฟังเรื่องอานิสงส์ของการบูชาด้วยดอกไม้ นะคนโน้นก็ทําทคนนี้ก็ทําทวันหลังตัวเองเห็นดอกไม้บานอยู่ดอกหนึ่งเลยเก็บเป็นถวายพระอันนี้มีคนวิลาวันเป็นต้ น, น, น, น, นก็พ่านก็บอกบางคนเขาบอกเออเนี่ยเพิ่งดอกไม้ที่บ้านเนี่ยมันบานอยู่ดอกเดียวเขาก็เลยเด็ดมานะอาจารย์เกยสอนเ ก, ก็ทําอย่างนั้นมหมท่านบางคนเนี่ยเห็นคนอื่นเขาทําได้ฟังอันนี้สองเรื่องการบูชาพอไปประจวบกับสิ่งนั้นเอ้าเอาบ้างเอาบ้างฮนะก็เลยจะเจริญกุศลอย่างนั้นบ้าง บางคนเนี่ยนะบอกว่าไม่เคยตื่นเช้ามาไม่เคยใส่บาตรเลยก็ไปได้ฟังว่าเออคนโน้นเขาก็ใส่บาตรคนนี้เขาก็ใส่บาตรเขาก็เล่าอา น, นิสงส์ของการใส่บาตรของการให้ทานในยามเช้าให้ฟังเออก็วันนั้นก็เลยตั้งนาฬิกา ป, ปลุกไว้ทางารแรกเลยนะตืนขึ้นมาแล้วใส่าบาตรซึ่งเรียกว่าฝืนประเพณีของตัวเองพอสมควรประเพณีตื่นสายเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นคนตื่นเช้ากุลีกุจอในการทําบุญเนี่ยนะเออฝืนอย่างนี้บ้างก็ดออีทันเหตุใกล้ก็โยนิสงมนักสิการเหตุไกลก็คือการ ฟังพระสัตธรรมแต่ถ้ากุศลที่พัฒนาเพื่อสู่ความเจริญเลยนะเขาเรียกว่าจักสีจัก4หรือสมบัติ4ประการที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมเนี่ยเกิดอย่างมากอย่างต่อเนื่องเหตุเหล่านั้นคืออะไรก็คือการคบสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษการมีโยนิโสมนสิการและมีปุเพกตะปุญญาตาเนี่ยนะ บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อได้ปัจจัยเหล่านี้กุศลธรรมทั้งหลายจักเกิดขึ้นงนั้นกุศลธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอาศัยปัจจัยมากปัจจัยแห่งกุศลธรรมเหล่านี้ควรเจริญใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจึงสรนเสริญเรื่องการคบสัตบุรุษใช่ไหมปันติตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตทั้งหลายเอตัมมังกลมุตตมังเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญ แล้วก็อา น, นิสง์ของการฟังธรรมก็สรรเสริญกาเลนะธรรมสวรังเอตัมมังคารมุตตะมังการฟังธรร ม, ม, มตามการก็เป็นอุดมมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญนะแล้วก็ปฏิรูปรเทสวะโสจากการอยู่ในประเทศที่สมควรก็เป็นอุดมมงคลเอตัมมังคารมุตตะมังนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญใครที่สั่งสมบุญไว้แต่ปางกอรปเพจจากกรตปุญญาตาเอตัมมังคารมุตตะมังพวกนี้เป็นมงคล เป็นเหตุแห่งความเจริญมงคลเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญจากสี่เหล่านี้ถ้ามีอยู่แก่บุคคลใดก็พาดพาไปให้บุคคลนั้นมีแต่การเจริญกุศลยย่งยิ่งขึ้นไปกุศลนี่น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวอนะถ้าจะน่ากลัวบ้างก็คือวัอวตคามินีกุศลอะนะวัตคามินีกุศลกุศลที่ตั้งความปรารถนาเพื่อวัตะอ่นะนะอันนี้ผลเนี่ยค่อนข้างน่ากลัว เพราะว่ากุศลเช่นว่ากุศลที่เป็นไปในวัฏฏะเนี่ยนะโบุญเก่าเนี่ยมีกำลังมากพาให้ไ ป, ไปเกิดในบางประเทศบุญเก่าพาส่งให้เกิดเป็นประธานนาทิบดีไว้ฆ่าคนอื่นดีไหมเอาไว้จัดสร้างสงครามอย่างเดียวบุญเก่าเป็นปัจจัยให้ไปมียศมีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยนะเลยภารกิจหลักก็คือทำสงครามอย่างนั้นเะน่าสนใจไหม กว่าจะมีอำนาจขนาดนั้นนี้บุญเก่ามหาศาลนะจึงจะได้ขึ้นใหญ่โตขนาดนั้นได้แต่ว่าตายเท่าไหร่ฉะนั้นบุญประเภทวัตคาไินีกุศลเนี่ยจึงน่ากลัวเพราะว่าเมื่อได้ผลเหล่านั้นไปเกิดณนะบางแห่งไปเกิดณนะบางแหล่งสถานที่ไปคบมิจฉาทิฐิบุคคลเข้าทำบาปได้อย่างะนะเรียกว่าคนที่ไม่มีบุญเก่าทำบาปได้ไม่มากหรอก อย่างมากก็ยงมากก็เชือดไก่เชื่อดอะไรเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเนี่ยนะแต่พวกที่มีบุญเก่ามากๆทำบาปได้เยอะมากบางคนมีอำนาจมากถึงขนาดบางคนก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นเนี่นะเพราะฉะนั้นผลของบุญประเภทวัตตะคามินีกุศลจึงน่ากลัวเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยกุศลเหล่าไหนนำเกิด วัฏทะคามินีกุศลนำเกิดเนี่ยนะกุศลที่เป็นพาเกิดในวัฏะนำเกิดพราะนั้นกุศลเหล่านั้นก็ซัดไปเกิดในถิ่นฐานแห่งมิจฉาทิฐิบ้างพาไปเกิดในแหล่งที่ไม่เจริญบ้างพาไปเกิดในแหล่งที่จะต้องทําบาปอกุศลบ้างเพราะนั้นอาจพวกกุศลประเภทวัฏะเหล่านี้จึงน่ากลัวแต่ถ้ากุศลใดที่ตั้งตั้งใจเพื่อวิวัฏทะคามินีปฏิปทากุศล อันนี้กุศลธรรมเหล่านี้น่าเจริญเพราะมีคุณอย่างหาประมาณไม่ได้เพราะว่าการให้ทานเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งการให้ดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นการให้เหล่านี้อย่าถือว่าเล็กน้อยถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อเพื่ออะไรวิวัตตะหรือเพื่อออกจากวัตตะเนี่ยนะอย่างเช่นถวายดอกไม้ไปอดอกไม้เย้มบาน ด้วยวิมุตฉันอดอกไม้เย้มบานฉันใดขอกุศลที่ได้ถวายดอกไม้เป็นทานได้เย้มบานด้วยอรหัตผลวิมุติฉันนั้นในอนาค ต, ตการเนี่ยนะก็ตั้งความปรารถน า, าไว้ใช่ไหมสําเร็จหรือไม่ก็แต่ว่าความปรารถนาที่ดีงามอย่างไรเสียต้องสําเร็จจะนานจะช้าอีกก็ดูที่ปัจจัยอื่นๆประกอบแต่ว่าโดยมากความตั้งใจที่ดีงามโดยมากสําเร็จใน สันเลขสูตรพระองค์บอกว่าอย่าดูถูกนะอย่าประมาทว่าจิตตุ บ, บาทจะไม่มีผลใช่ไหมขจิตตุ บ, บาทยังมีผลมากจะกล่าวไปยายถึงจัดแจงด้วยกายและวาจาใจเอด้วยวกายและวาจาเล่าเพรัะกุศลที่เกิดจากการตั้งจิตเล็กๆน้อยๆเนียน่อยอย่าดูถูกนะว่าเขาไม่มีผลคิดในฝ่ายที่ไม่ดีตรงกันข้ามเลยนะถ้าเราลองไม่ชอบใครเป็นเล็กๆน้อยๆนะ ไอ้คนใช้ไม่ได้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะนะไอ้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้เรื่องเดี๋ยวใหญ่โตลูกลามหมดอ่ะแล้วกุศลก็เหมือนกันถ้าตั้งไว้มันดีนะเออถ้าออกได้จากวัฏฏทุกข์ได้เป็นความดีตั้งความคิดนะอยา่าถึงว่าเล็กๆน้อยๆอย่างงี้ก็าตามเธอแต่ในที่สุดความคิดเหล่านี้ประยงให้เขาออกจากวัฏฏทุกไดมันก็อยู่ที่การตั้งใจวันอัตตะสัมมาปณิที่นี้เกือกูลมากต่อกุศลท่านคนที่เจริญกุศล โดยเฉพาะกุศลระดับสูงเนี่ยนะโดยมากเกิดจากอัตตะสัมมาปณิธิพะนั้นอัตตะสัมมาปณิธินี้เป็นอาหารอย่างอริสอร่อยของกุศลเป็นอาหารชั้นดีของกุศลพันธ์คนที่จะเจริญกุศลได้มากได้นานและต่อเนื่องเพราะอาศัยการเจริญกุศลพันธ์การกําหนดรู้ปัจจัยของกุศลเนี่ยนะในปั จ, จยะปริคหายานนั้นน่ะเป็นเบื้องบาต ท, ที่จะจะเจริญกุศลระดับสูงได้เช่น ถ้าเราจเจริญวิสุทธิเจ็ดประการเพื่อจะออกจากวัฏะเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักปัจจัยแหงแววจจ่งศีและวิสุทธิเราจะเจริญศีลวิสุทธิได้มากไหมยากถ้าไม่รู้ปัจจัยแห่งเมตตาถ้าไม่รู้จักปัจจัยแห่งสมถะทั้งหลายเราจะเจริญสมถะได้อย่างต่อเนื่องไหมก็ยากถ้าไม่รู้จักปัจจัยแห่งทิฏฐิวิสุทธิโดยสุตตะเป็นตนน้นจนเพียงพอเราจะเจริญสุตจิตตาวิสุทธิได้ไหมไม่ใช่ฐานะอยู่แล้ว การรู้ปัจจัยแห่งกุศลเนี่ยจึงเป็นเป็นความเจริญเนี่ยนะจึงเป็นความดีแล้วการกําหนดปัจจัยแห่งกุศลเนี่ยนะสำคัญมากในโพุทธชงบั พ, พะเนี่ยท่านสอนให้กําหนดปัจจัยแห่งกุศลตรงๆเลยเนะสอนว่ายังไงพระองค์ตรัสว่าเมื่อสติสัมโพชงมีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชงมีอยู่ณภายใน สติสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในสมัยใหม่ก็แล้วถ้าสติเกิดก็รู้ว่าสติเกิดเมื่อสติไม่เกิดก็รู้ว่ามันไม่เกิดพอไหมอย่างนะองตัดต่อไปอีกว่าเมื่อสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยทำยังไงละ่ะสติที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้น สติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยหมายถางว่าที่เกิดแล้วมันจะเติบโตได้ยังไงบริบูรณ์ที่ไหนเมื่อไหร่ทํำยังไงจึงจะบริบูรณ์ก็ต้องรู้ชัดเลยแหละเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงที่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชง์มีอยู่ณภายในธรรมวิจยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายใน ก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสามพ่อชองไม่มีอยู่ณภายในธรรมวิจยะสามพ่อชองที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสามโพชอชองที่เกิดขึ้นแล้วบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยนะพวกนี้ถ้าไม่กําหนดปัจจัยแห่งสติไม่กําหนดปัจจัยแห่งธรรมวิจัยแล้วไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ เพราะว่าการรู้ปัจจัยคือวิธีโยนิสโสมนัสิการเป็นต้นนั้นจึงเป็นอาหารของโพชงเนี่ยนะเป็นอาหารของโพชงแม้กระทั่งวิริยะปีติปัสสัตทิสมาธิและอุเบขาสัมโพชงก็ในยะเดียวกันจะต้องรู้ว่าโพชงเหล่านี้มีหรือไม่เมื่อไม่มีจะมีด้วยประการใดก็รู้ชัดที่มีแล้วจะเต็มเตี่ยมบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดสาวหาต้นเหตสาวหาปัจัยแห่ง สติธรรมวิจยัยวิริยะปีติปัสสัตถิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั่นคือสาระหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะที่กุศลก็คือสติปัฏฐานใช่ไหมไอสติสัมโพชฌงค์นั่นแหละคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานหรือสติสัมโพชฌงค์เนี่ยที่ยังไม่เกิดสติสัมโพชฌงค์เป็นยังไงก็คือสติที่วิจัยเพื่อสติที่ระลึกเพื่อ ก, การตรัสรู้ระลึกว่ายังไง